เวลาบ่ายโมงตรงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมที่หอประชุมภาวนาก่อนสีทิพภา รุ่นนี้มีผู้เข้าอบรมถึง200คนและที่พิเศษไปกว่าทุกรุ่นก็คือจำนวนที่ผู้เข้าปฏิบัติเป็นชาย100เป็นหญิง100นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดการอบรมมาที่จำนวนผู้ปฏิบัติเท่ากันทั้งสองเพศปกติจะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายหลายเท่าตัวที่พิเศษไปกว่ารุ่นอื่นๆ อ, อีกสองประการคือ รุ่นนี้มีแต่ชาวพุทธล้วนหนึ่งและผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหนึ่งภิกษุวัยใกล้60เห็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ข้าราชการขร้าราชการที่ดีก็ลดน้อยถอยลงข้าราชการที่ทุจริตช่อสงบังสา์ช่อราดบังหลวงมีมากขึ้นถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป ก็จะหาคนดีคนซื่อสัตย์สุจริตยากสังคมไทยก็จะเสื่อมทรามลงเยาวชนก็จะขาดบุคคลต้นแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พวกเขาแม่พินจัดแถวให้พออและภรรยานั่งตามที่ท่านให้ในายสมชายไปบอกคือให้พออนั่งแถวหลังสุดทางทิศพยัพ ส่วนภรยาให้นั่งแถวหน้าสุดทางทิศอาคเนเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาเดินจงกลมก็จะไม่มีโอกาสได้เจอกันเวลาผ่านไปห้าวันนั่นแหละจึงจะเจอกันแต่ท่านก็ได้นัดแนะกับพอ อ, อไว้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรท่านต้องการให้บทเรียนราคาแพงแก่ภรยาของเขาเพื่อที่หล่อนจะได้ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ และมีชีวิตที่ดีงามต่อไปวิธีเดียวที่หล่อนจะสามารถปรับปรุงตัวเองได้ก็คือการมาเข้ากรรมฐานและปฏิบัติอย่างจริงจังการเดินจงกรมให้กําหนดในใจว่าขวาย asi, าา่างหนอเมื่อก้าวเท้าขวาออกไปข้างหน้าซ้ายย่างหนอเมื่อก้าวเท้าซ้าย เดินสุดทางแล้วให้ชิดเท้าขวาเข้ามาเสมอกับเท้าซ้ายกําหนดยืนหนาะห้าครั้งทำให้ช้าและชัดเจนจะเกิดปัญญาขณะเดินเกิดคิดอะไรขึ้นมาจิตออกไปข้างนอกให้หยุดเดินกาหนดที่ลิ้นปีคิดหนาคิดหนาคิดหนา มีใครไม่รู้จักลิ้นปีบ้างท่านถามผู้ปฏิบัติทั้งสองร้อยคนไม่มีผู้ใดตอบท่านจึงตอบซิเองว่านี่ลิ้นปีอยู่ตรงนี้ท่านยกมือขวามาวางที่หน้าอกใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปตรงยอดอกระหว่างราวนมทั้งสองข้างแล้วกล่าวอีกว่าถ้าอยากรู้ว่าลิ้นปีอยู่ตรงจุดไหน ให้เอาเชือกวัดตั้งแต่ปลายจมูกถึงสะดือนั่งตัวให้ตรงไม่ต้องก้มหน้าแล้วก็ไม่ต้องเงยหน้าวัดเสร็จก็พับเชือกเป็นสองครึง่งรู้จักสองครึ่งใช่ไ้ยสมมุติว่าวัดได้สิบสองนิ้วพับเป็นสองครึง่งก็ได้หกนิ้วทีนี้จะวัดจากปลายจมูกมายอดอก หรือจะวัดจากสดือมาลิ้นปีก็อยู่ตรงนั้นแหละท่านอธิบายจนผู้ปฏิบัติรู้จักตำแหน่งของลิ้นปีแล้วจึงแนะนำเรื่องการปฏิบัติต่ออย่าลืมนะคิดหนอคิดหนอคิดหนอนี่ให้กำหนดที่ลิ้นปีบางคนไปกำหนดที่หน้าผากอย่างนั้นไม่ถูกต้องเมื่อกำหนดคิดหนอ คิดหนาคิดหนาสติปัญญาจะเกิดขึ้นทันทีจากนั้นจึงเดินต่อเดินช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้หากเกิดเวทนาให้หยุดเดินท่านกวาดสายตาดูหน้าคนฟังมีหลายคนที่คิ้วขมวดท่านรู้ว่าเขาไม่เข้าใจที่ท่านพูดจึงอธิบายว่า เวทนาในที่นี้อาตมาหมายเฉพาะทุกขเวทนาเช่นปวดคอปวดขาก็ให้หยุดเดินแล้วกําหนดทีละอย่างอย่าไปกําหนดหลายอย่างปนกันพอกําหนดได้แล้วก็ให้เดินจงกรมต่อไปถ้าคิดถึงเรื่องอดีตเช่นโกรธคนโน้นคนนี้โดยที่เข้าไม่รู้ตัวให้หยุดเดินแล้วกําหนด โกรธนอโกรธนอโกรธนอที่ลิ้นปีหายโกรธแล้วจึงเดินต่อไปเดินเสร็จจึงกำหนดนั่งประเดี๋ยวอาจารย์ยุพินจะสาธิตการเดินการนั่งให้ท่านดูส่วนอัตมาพอเสร็จพิธีเปิดการอบรมแล้วจะต้องไปรับแขกที่กุฏิญาติโ ย, ยมเขามีทุกข์มีปัญหามาปรึกษา ขอให้ช่วยก็ต้องสมเคราะห์ช่วยเหลือกันไปอาตมาอธิษฐานจิตตอนเกิดอุบัติเหตุรถคว่มคอหักเมื่อปีพุทธศักราช2521ว่าขออย่าเพิ่งตายขออยู่ใช้หนี่มนุษย์ให้หมดเสียก่อนเพราะอาตมาจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วท่านพูดคล้ายบ่นจากนั้นจึงบรรยายเรื่องการปฏิบัติต่อ อย่าลืมว่าเมื่อเดินเสร็จต้องกำหนดนั่งทันทีอย่าให้ขาดช่วงบางคนเดินเสร็จพอจะนั่งก็ไปเข้าห้องสุขาก่อนอย่างนี้จะทำให้การปฏิบัติไม่ต่อเนื่องการกำหนดนั่งก็ให้กำหนดในใจว่านั่งหนานั่งหนานั่งหนาหายใจยาวๆคนอารมณ์ร้อนจะหายใจสั้น และจะขาดสติหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆถ้าหายใจสั้นจะมองไม่เห็นพองยุบแต่ประการใดมองในที่นี้ไม่ใช่เอาตามองเอาจิตมองเพราะเวลานั่งเราจะต้องหลับตาถ้านั่งลืมตาจิตจะสัดสายไปกับสิ่งที่ตาเห็นสมาธิก็จะไม่เกิด เมื่อหายใจเข้ากําหนดว่าพองหนอหายใจออกกําหนดว่ายุบหนอถ้าพองยุบไม่ชัดให้เอานิ้วมือกดที่ใต้สะดือห่างจากสะดือลงไปสองนิ้วหายใจยาวๆจะเห็นได้ชัดเจนกําหนดพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆเมื่อเกิดเวทนาให้หยุดพองยุบไว้ก่อน แล้วไปกำหนดที่เวทนาหายแล้วจึงกลับมากำหนดพองหนายุบหนาถ้าเกิดคิดอะไรขึ้นมาให้หยุดกำหนดพองยุบแล้วมากำหนดที่ลิ้นปีคิดหนาคิดหนาคิดเน อ, นอเช่นเดียวกับโกรธหนาโกรธหนาโกรธหนาจะเกิดปัญญารู้ว่าพองหนา มีกี่ระยะยุคหนอมีกี่ระยะถ้าปัญญาเกิดจะรู้ด้วยตัวของเราเองท่านรู้สึกเจ็บคอจึงหยุดบรรยายเอื้อมมือไปหยิบถ้วยน้ําชา ย, ยกขึ้นมาจิบพอได้รสขมของต้นลูกใต้ใบทำให้ชุ่มคอขึ้นมานิดหนึ่งแล้วจึงบรรยายต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะปิดประตูอบายโภมได้ อบายภูมิมีสีได้แก่นรกประดอสุรกายและเดรัจฉานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปิดประตูอบายภูมิได้อย่างไรอาตมายังไม่บอกขอให้ทุกขันตั้งใจปฏิบัติแล้วจะได้รู้ด้วยตนเองไม่มีอะไรดีกว่ากรรมฐานอีกแล้วเอาละอาตมาจะต้องไปรับแขกที่กุฏิ เดี๋ยวอาจารยุพินจะมาทำหน้าที่แทนอาตมา6โมงเย็นอาตมาจะมาทำวัดเย็นและอยู่กับท่านไปจนถึง3ทุ่มถ้าไม่จำเป็นจริงๆอาตมาก็จะไม่รับนิมนต์ไปไหนจะได้ช่วยกันคิดคน้นหาหนทางช่วยเยาวชนของเราต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีจเจริญขึ้นเยาวชนจะหลงทาง จะเสียหายกันมากทั้งหญิงทั้งชายถ้าเราไม่ช่วยกันใครเขาจะมาช่วยเอาละก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับอนิสงฆ์แห่งการปฏิบัติโดยทั่วหน้ากันและก็ขอให้เกิดความสุขความเจริญจิตใจใสสะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินสาธุ ผู้ปฏิบัติทั้ง200เปล่งเสียงสาธุการอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นอาจารย์ยุพินสั่งให้ทุกคนคุกเข่าแล้วกราบพระอาจารย์ด้วยเบญจางคัประดิษฐ์สามครั้งพระอาจารย์ลุกจากอัศนะเดินไปกราบพระรัตนตรยัยที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วออกประตูด้านข้างของหอประชุมไปยังกุฏิซึ่งอยู่ห่างออกไปราวเจเมตรพระอาจารย์เดินออกไปแล้ว อาจารย์ยุพินจึงสั่งให้ผู้ปฏิบัติยืนขึ้นและจัดแถวเพื่อจะเดินจงกรมโดยหันหน้าเข้าหาเวทีแถวผู้หญิงอยู่ทางซ้ายแถวผู้ชายอยู่ทางขวาเว้นระยะให้เดินเข้าหาเวทีได้ประมาณ7 9เก้าเพราะถ้าเดินเกินนี้จิตจะออกนอกไปหาอารมณ์อื่นและถ้าเดินน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้น การฝึกเดินจงกรมควรจะเดินประมาณ 5-99 ถึงก้าไม่ควรน้อยหรือมากกว่านี้เมื่อฝึกจนชำนาญแล้วจะเพิ่มให้มากขึ้นหรือว่าลดให้น้อยลงก็ย่อมทำได้เพราะสติและสมาธิเริ่มตั้งมั่นแล้วพอออกกองการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นวันที่8ด เขารู้สึกมีความสุขและรู้จักปล่อยวางได้มากขึ้นเมื่อพระอาจารย์เรียกไปพบและบอกว่าภรรยาเขาก็จะมาปฏิบัติในรอบนี้เขาไม่รู้สึกยินดียินร้ายแต่ประการใดทั้งไม่นึกโกรธเคืองหล่อนขณะเดียวกันก็คงไม่ทนที่จะอยู่กันต่อไปหากหล่อนไม่ปรับปรุงตนเองอย่างไรก็ตามเมื่อพระอาจารย์ท่านบอกว่าจะดัดสันดานให้ เขาก็ต้องรอดูไปก่อนว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเขาก็ไม่ทุกข์เพราะหล่อนเอนางดาวเรืองตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าหล่อนไม่ตั้งใจผัวหล่อนจะไม่กลับหล่อนคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีเขาผู้ชายคนนั้นพูดถูกว่าหล่อนมีผัวดียังกับเทวดาแต่หล่อนกลับไม่รู้คุณค่าของเขา เขาคงเป็นเทวดามาเกิดจริงๆนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ด่าหรือทำร้ายร่างกายหล่อนทั้งที่หลอนด่าเขาด้วยถ้อยคาหยาบคายจะหาใครที่ไหนดีเท่าผัวหล่อนคนนี้ไม่มีอีกแล้วหล่อนตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลิกเล่นไพ่ไม่เช่นนั้นผัวไม่กลับเอหรือว่าจะรอให้เขากลับมาก่อนจากนั้นค่อยแอบไปเล่นก็ได้คงไม่มีใครรู้หรอกนา หล่อนเริ่มใจรวนเรปรวนแปรจิตแสบไปในฝ่ายอากุศลตามความเคยชินท่านพระครูแอบสั่งแม่พินว่าให้คอยติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของนางดาวเรืองเพราะหล่อนสะสมหมักหมมความร้ายกาศไว้มากมายหลายเล่มเกวียนและสะสมมาหลายชาติหากท่านไม่ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าจะใช้นี่มนุษย์ให้หมด หล่อนก็คงไม่ได้มาให้ท่านช่วยเพราะคงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตแต่ที่หล่อนมาเพราะในชาติที่เป็นแม่ทัพหล่อนเคยให้อาหารท่านกินหนึ่งมือ้อขณะที่ท่านกําลังเหนื่อยอ่อนและหิวโหยเพราะติดตามกองทาหารพรมาร่ามาจนหลงป่าหากล่อนปฏิบัติจนถึงขั้นกลับเนื้อกลับตัวได้ ท่านก็จะได้ใช้กรรมกับหล่อนที่เคยช่วยเหลือท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงสั่งแม่พินซึ่งในอดีตชาติก็เป็นทหารคนสนิทของท่านให้ดูแลหล่อนอย่างดีอาจารย์ยุปินเฝ้าจับตามองหล่อนเพราะท่านพระครูฝากฝวังไว้เห็นหล่อนเดินตาลอยบางทีก็อมยิ้มเหมือนกำลังสร้างวิมานในอากาศอยู่จึงกำหนดรู้หนอรู้หนอ รู้หนอ3สามครั้งก็รู้ว่าหล่อนกำลังคิดอะไรอยู่จึงเดินเข้าไปหาและพูดเบาๆให้หล่อนได้ยินคนเดียวว่าถ้าคิดว่าผัวกลับแล้วจะแอบไปเล่นไพ่อีกรับรองว่าผัวไม่กลับแน่นอนพระอาจารย์บอกว่าเธอมีกุศลอยู่แค่ร้อยละสิบต้องสร้างอีกเจสผัวถึงจะกลับถ้าเธอมัวแต่คิดอกุศลอยู่ หัวไม่กลับแน่นอนเอาละฉันมาบอกเท่านี้แหละไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วจะได้พบผัวภายในห้าวันพระอาจารย์ฝากบอกมาพูดจบอาจารย์ยุพินก็เดินไปดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆต่อไปนางดาวเรืองแทบจะร้องไชยโยออกมาเมื่อได้ยินว่าจะได้พบผัวภายในห้าวัน หล่อนยกมือไหว้ขอบคุณอาจารย์ยุพินแล้วจึงตั้งหน้าตั้งตาเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอต่อไปพยายามประคับประคองจิตไม่ให้คิดว่าวุ่นหากก็ทำได้ชั่วประเดียวประดาวเท่านั้นนี่หล่อนจะทำอย่างไรดีหล่อนเหลือบมองนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างหน้ายังเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีจึงจะได้นั่ง รอบแรกนี้อาจารย์ให้เดิน45นาทีนั่ง45นาทีหล่อนเพิ่งเดินได้25นาทีเท่านั้นเองทำไมนาฬิกาจึงเดินช้ากว่าทุกวันแล้วใจของหล่อนก็แล่นไปที่วงไพ่เวลาหล่อนนั่งเล่นไพ่ทำไมนาฬิกาจึงเดินเร็วนักประเดี๋ยววันประเดี๋ยวคืน หล่อนเคยนั่งจั่วไพ่ทั้งวันทั้งคืนแต่รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปแค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นเองหรือว่าจะกลับไปเล่นไพ่ผัวจะกลับหรือไม่กลับก็ช่างผัวเป็นไรไม่ได้ไม่ได้เรารับปากกับอาจารย์ไว้แล้วว่าจะยอมตายเอาละเป็นไรเป็นกันถ้าจะต้องตายก็ขอตายในห้องประชุมนี่แหละคิดได้ดังนี้หล่อนจึงตั้งใจเดินโดยกําหนด ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอประมาณ15นาทีให้หลังก็กลายเป็นผัวกลับหนอผัวกลับหนอเพราะใจไปผูกพันอยู่กับผัวกำหนดอยู่อย่างนี้ประมาณหนาทีเสียงอาจารย์ยุพินก็ประกาศทางไมโครโฟนว่าเหลือเวลาเดินอีกหนาทีขอให้ผู้ปฏิบัติทำกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ เดินกลับมายังที่นั่งของตนเมื่อครบกำหนดเวลาเดินฉันจะเป็นคนบอกเองจากนั้นจะได้กำหนดนั่งกันต่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเดินครบ45นาทีแล้วอาจารย์ยุพินก็สาธิตวิธีนั่งสมาธิหรือนั่งภาวนาตามขั้นตอนที่ได้สอนมาตั้งแต่ปี2521นับถึงปีนี้ ก็เข้าปีที่8แล้วอาจารย์ยุพินรู้สึกว่าตัวเองมีบุญที่ได้มารับใช้ท่านพระครูด้วยการมาช่วยสอนกรรมฐานนึกขอบใจโรคมะเร็งที่จะพลากชีวิตไปในตอนแรกแต่เมื่อรอดชีวิตมาได้กลับกลายเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่ต้องขอบใจเพราะถ้าไม่เป็นโรคมะเร็งก็จะไม่ได้มาทำงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ท่านพระครูสอนเสมอว่า งานที่ยิ่งใหญ่คืองานสร้างคนคืนที่สองของการปฏิบัติท่านพระครูรู้ชัดว่าผู้ปฏิบัติเกือบทุกคนคุ้นเคยกับการกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขณะเดินและพองหนอยุบหนอขณะนั่ง คนที่กำหนดได้ดีที่สุดในรุ่นนี้คือโยมเสงจบุญเขาเข้าใจทุกขั้นตอนที่อาจารย์ยุพินสอนและสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นขนาดเดินหรือนั่งเขากำหนดได้ชัดเจนถูกต้องและไม่เคยหลงแม้แต่ครั้งเดียวจิตไม่เคยออกนอกตัวไม่เคยคิดถึงบ้านไม่คิดถึงภรรยาหรือธุรกิจการค้าแต่อย่างใด สมผานวัดป่ามะม่วงรู้อุปการะที่เขาทำแล้วคือการนิมนต์ท่านไปแสวงบุญในแดนพุทธภูมิท่านจึงตอบแทนด้วยการชักชวนเข้ามาเข้ากรรมฐานจะได้รู้หลักการวิธีการและขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อจะได้นำไปสั่งสอนและแนะนำแก่ผู้อื่นต่อไปเวลาสองทุ่มยี่สิบ ท่านพระครูเดินเข้ามาในห้องประชุมหลังจากแม่พินนำทำวัดเย็นเสร็จจากนั้นจึงให้เดินและนั่งอย่างละหนึ่งชั่วโมงเวลาที่เหลืออีก40นาทีเป็นเวลาแห่งการฟังธรรมซึ่งในค่าคืนนี้ท่านจะแสดงธรรมเรื่องมาคธีภาษาหรือภาษามคตเพื่อให้ผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหมดได้รู้จัก ภาษาที่พระบรมศาสดาทรงใช้ในการเผยแผ่พระศาสนาผู้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือโยมเสียงใจบุญเพราะเมื่อปฏิบัติครบเจ็ดวันแล้วเขาจะเรียนบาลีต่ออีกสามวันและจะรู้ว่าบาลีก็คือมาคธีภาษาหรือภาษามคตนั่นเอง เมื่อท่านเดินเข้ามาอาจารย์ยุพินบอกให้ผู้ปฏิบัติทำคุกข่าวประนมมือท่านเดินไปกราบพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระประธานและเดินไปนั่งอย่างอาสนะอาจารย์ยุพินจึงสั่งให้ผู้ปฏิบัติกราบพระอาจารย์สามครั้งแล้วจึงเปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบแต่ยังไม่เอามือลงจนกว่าท่านจะสั่งให้เอาลงได้ เจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมสัมมาปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันอยู่ณทีน่นี้ก็มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือมาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานมีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้นอกจากการเดินการนั่งอย่างมีสติแล้วก็มีการฟังธรรมซึ่ง ธรรมมาสวนานิสงคืออนิสง์แห่งการฟังธรรมหรือประโยชน์ที่ได้จากการฟังธรรมมีห้าอย่างได้แก่อสุตังสุนาติย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่งสุตังปริโยทาเปติสิ่งที่เคยได้ฟังก็ทําให้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นหนึ่งกังขังวิหนาเต บรรเทาความสงสัยเสียได้หนึ่งทิฏฐิงอุชุงกโรติทำความเห็นให้ถูกต้องได้หนึ่งและจิตตามัสสะปะสีทติจิตของเขาย่อมผ่องใสหนึ่งที่กล่าวมานี้เป็นอนิสงส์แห่งการฟังธรรมที่มาในอังคุตรนิกายปัญจการนิบาทพระไตรปิโดกล่มที่ยี่สิบสอง ข้อที่สองหน้าที่276จึงขอให้ญาติโยมตั้งอกตั้งใจฟังโดยทั่วกันเอามือลงได้ผู้ปฏิบัติจึงลดมือลงวางบนตักมือซ้ายวางงายขึ้นมือขวาคว่มลงทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมั่นกำหนดที่หูฟังหนอฟังหนอ ฟังหนอเพื่อจะได้อานิสงส์ครบทั้งห้าอย่างตามที่พระอาจารย์ท่านสาธยายมาสำหรับคืนนี้อาตมาจะแสดงธรรมเรื่องมาคธีภาษาหรือภาษามะคตซึ่งก็คือภาษาบาลีนั่นเองเหตุใดพระบรมศาสดาจึงใช้ภาษามะคตในการเผยแผ่พระศาสนาก็เพราะว่า พระองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ในแคว้นมคธเป็นแห่งแรกหลังจากตรัสรู้อัตมา จ, จะอธิบายให้ญาติโยมเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องกล่าวถึงพุทธกิจ 45,000 ษาแต่จะไม่กล่าวหมดทั้ง 45,000 ษาจะกล่าวถึงเฉพาะพันษาที่หนึ่งถึงพันษาที่ห้าดังต่อไปนี้ ในระหว่างเวลา45ปีแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระบรมศาสดาได้เสด็จไปประทับจำพรรษาณสถานที่ต่างๆพรรษาที่หนึ่งประทับจำพรรษาณป่าอิสิปตนามลึกขทยวันใกล้กรุงพละนาสีโปรดพระปัญจวคีคือพระโกนทัญญะพระวัปปะพระพัทยะพระมหานามะและพระอัศชิ พระปัญจวคีได้สำเร็จพระอรหันต์และเป็นพระสาวกรุ่นแรกพันศาที่สองสสประทับจพาพรรษาณพระเวลุวันกรุงราชครึเป็นระยะประดิษฐานพศาสนาเริ่มแต่โปรดพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันพันศาที่หประทับจพาพรรษาณคูตคานสาลาในป่ามหาวัน นครเวสาลีพระเจ้าสุดโทธนะทรงพระประชวนพระพุทธองค์เสด็จกรุงกบิลพัทและทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาได้สำเร็จพระอรหันตและปรินิพานพระนางประชาบดีโคตมีผนวดเป็นภิกษุณีรูปแรกต่อมาก็ได้สำเร็จพระอรหัตได้นามว่าพระมหาประชาบดีโคตมี ได้รับยกย่องเป็นเอตะทักคะในทางรัตตัญูคือบวชนานรู้เหตุการณ์ก่อนใครๆส่วนพระนางพิมพาภายหลังก็ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสาเร็จพระอรหันตได้นามว่าพระพัฒากัจจานาเพราะทรงมีชวีวันดุจทองคำเนื้อเกลียงได้รับยกย่องเป็นเอตะทักคะในทางบรรลุมหาอภิญญา การที่พระบรมศาสดาประดิษฐานพระศาสนาที่แคว้นมคธภาษาที่ใช้ในการแสดงธรรมจึงเป็นภาษาที่ชาวมคธใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกันเรียกว่ามาคตีภาษาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อบาลีบาลีมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งหมายถึงภาษาอันรักษาไว้ซึ่งพุทธพจน์เป็นภาษาที่ใช้ทรงจา ละจาริกรักษาพุทธโพจน์แต่เดิมมาอันเป็นหลักในพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทถือกันว่าได้แก่ภาษามคตความหมายที่สองหมายถึงพระพุทธวจนะซึ่งพระสังคีติกาจาร์รวบรวมไว้คือพระธรรมวินัยที่พระอรหันต์ห้า500องค์ประชุมกันรวบรวมการจัดสรรให้เป็นหมวดหมู่ในคราวปฐมสังขยนา และรักษาไว้ด้วยภาษาบาลีสืบต่อกันมาในรูปที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอันเป็นคำพีพระพุทธศาสนาต้นเดิมที่เป็นหลักฐานของพระพุทธศาสนาเถรวาทบาลีในความหมายที่สองนี้ยังหมายถึงพุทธพจน์คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าและยังหมายถึงข้อความที่มาในพระไตรปิฎกอีกด้วย ในการศึกษาพระพุทธศาสนามีประเพณีที่ปฏิบัติกันมาในเมืองไทยให้แยกคำว่าบาลีในความหมายสองอย่างนี้โดยการเรียกให้ต่างกันคือถ้าหมายถึงบาลีในความหมายที่หนึ่งให้ใช้คำว่าภาษาบาลีหรือศัพท์บาลีคำบาลีหรือบาลีเฉยๆแต่ถ้าหมายถึงบาลีในความหมายที่สอง ให้ใช้คำว่าพระบาลีต่อจากนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงความสำคัญและอานิสงส์ที่ได้จากการอ่านคำบาลีอย่างถูกต้องว่าคำพียาโนทยาปรกรณ์ซึ่งเป็นต้นคำพีชั้นอัตกถาให้ความสำคัญกับภาษาบาลีว่าอักษรตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันเป็นพระปริยติศาสตร์ของพระาศาสดา มีค่าเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราทําวัดสวดมนต์เป็นภาษาบาลีในแต่ละวันถ้าออกเสียงคําบาลีอย่างถูกต้องชัดเจนจะได้บุญเท่ากับเราได้สร้างพระพุทธรูปเป็นพันๆองค์เลยทีเดียว